เพิ่งพากันตั้งใจเรามีใจเป็นใหญ่เป็นประธานกลั่วทษสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ฝึกค้นใจดวงนี้ให้ดีแล้วคนเราทางคนไม่มีอะไรดีพิจารณาให้มันเห็นอย่าไปเห็นการทำอย่างอื่นนั่น ดีกว่าการฝึ ก, กจิตนี้ไม่ถูกก่อนอื่นเราต้องตามรักษาจิตตัวเองไปทุกระยะทุกเวลาพยายามประคองจิตนี้ไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุ ณ, ณธรรมอันดีงาม ที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่าไปมีโลกเป็นเครื่องอยู่ให้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจอ <c oughs> บุคคลจะมีธรรมอยู่ในใจได้ก็เพราะอาศัยปัญญา เป็นผู้รู้จักเลือกเควนธรรมะอันที่มันเหมาะสมกับจิตตัวเองเพราะธรรมะมีอยู่มากมายกายกองไม่สามารถที่จะรวบรวมเอามาไว้ในจิตใจนี้ได้ทั้งหมดให้เลือกเว้นเอาแต่ธรรมะที่มัน เหมาะกับจริตตัวเองเมื่อตนเองพิจารณาธรรมะข้อนั้นปรากฏแจ่มแจ้งในใจแล้วอย่างนี้ใจละกิเลสไปได้กิเลสที่มันคุกหามใจอยู่นั้นเมื่อพิจารณาธรรมะข้อนั้นแล้ว กิเลสเหล่านั้นระงับไปอย่างนี้นะเหมือนอย่างบุคคลผู้รับประทานยาแก้โรคอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วมันทำให้โรคนั้นบรรเทาลงเช่นนี้ก็ต้องรับประทานยาขนาด น, นั้นเรื่อยไป จนก ว, ว่าโรคนั้นมันจะหายหรือว่ามันจะพลิกแพลงไปเป็นอย่างอื่นก็ต้องให้หมอช่วยพินิจพิจารณาจัดยาให้ใหม่ก็ไปอย่างเงี้ยวิธีเขารักษาโรคทางกาย แม้โรคทางใจก็คล้ายๆคึงกันและการรักษาโรคทางใจดังนั้นทุกคนให้พึ่งสันนิฐานตัวเองว่าตนเองทำใจสงบลงได้ด้วยการเพ่งอะไรเพ่งกรรมฐานอะไรเนี่นี่นะก็ต้องกำหนดกรรมฐานอันนั้นไว้อย่าให้ลืมเลือน เพ่งพิจารณากรรมฐานอันนั้นให้มันเจีมแจ้งอยู่ในใจเสมอเช่นนี้แล้วใจมันก็สงบไปได้ตั้งมั่นไปได้สม่ำเสมอไม่ใช่ว่าการเจริญพระกรรมฐานนี่พิจารณากรรมฐานอย่างนี้แล้วใจสงบประงับลงไปแล้วเรีวไปเลย ไม่ต้องมาพิจารณาอีกอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็อย่างที่อุปมาให้ฟังนั่นแหละเมื่อยาขนานใดมันถูกกับโรคอย่างใดแล้วก็ต้องรับประทานยาขนานนั้นต่อไปจนกัวโรคมันจะหายอันนี้เหมือนกันแหละแล้วก็ต้องเจริญพระกรรมฐานอัน ที่มันทำใจให้สงบระงับมาได้นั่นเลื่อยไปไม่ต้องสงสัยลังเลเมื่อทำได้อย่างนี้รู้จักเลือกเพ้นทำที่มันเหมาะกับจริตได้นี่มันก็ได้ผล mm hmm. ผู้นั้นก็สามารถรักษาจิตใจนี้ให้สงบระงับให้ติดต่อกันไปได้ mm hmm. เมื่เฉะนั้นแล้วใจมันก็จะพลิกแพงไปหลายเรื่องคว้าใส่เรื่องนั่นก็ไม่ได้ผลหรือว่าคว้าใส่เรื่องนี้อยู่งั้นจับต้นชนปลายไปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรแเลยดัยงนนั้นเมื่อตนทําใจสงบด้วยกรรมฐานอันใดแล้วต้องมั่นใจอยู่ในกรรมฐานอันนั้น อ่มันก็ยืนหลักอยู่ได้นะวันนี้นะดังนั้นมันจึงไม่ค่อยเป็นไปได้นะบางคนนะเพราะว่าจับหลักไม่มั่นกันแล้วกันแล้วไปมันจึงเป็นสมาธิไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าก็ยังทรงอุปมาไว้เหมือนอย่างบุคคลจับสัตว์หกชนิดได้แล้วก็เอาเชือกมัดขามันนันนี้ก็เอาเงื่อนเชือกตอนปลายขามวดเข้าใส่กันรวมกันแล้วก็ผูกมัดติดหลัก แข็งแรงดีไว้บริสัทธ์ถ้าหกชนิดนั้นมันก็ยอมดิ้นลน่นกระเสือกกระสนจะไปจะให้มันหลุดจากบ่วงอันนั้นไปแต่แล้วเมื่อบ่วงนั้นมันผูกแน่นนาดีมันก็ไม่หลุดไปได้ดิ้นไปดิ้นมาเหนื่อยอ่อนแล้วมันก็มารวมกันอยู่ หลักนั่นแหละไปไหนไม่ได้นี่ข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นการที่เราปักหลักลงไปให้แข็งแรงไม่ให้คลอนแขนสำหรับผูกสัตว์นั่นนะก็ได้แก่สตินั่นหละสติควบคุมจิตให้ ตั้งมั่นให้แน่วแน่อยู่ภายในให้ได้ฉะนี้เมื่อตาเห็นรูปจิตมันอยากจะยินดีไปในรูปนั้นสติห้ามไว้อย่นี้มันก็อยู่หูได้ยินเสียงหน้ายินดีพอใจมันจะเพลินไปตามเสียงนั้นสติก็ห้ามไว้ ไม่ให้เพลิดเพลินไปตามเสียงนั้นจิตมันก็อยูอ่น่ันเนี่ยจมูกได้สูดกลิ่นต่างๆอันเป็นที่น่ายินดีพอใจอย่างนี้เมื่อมีสติห้ามไว้แล้วมันก็ไม่ยินดียินร้ายลิ้นได้รับพรสอาหารอันอร็ดอร่อย มันจะเกิดความยินดีพอใจในอาหารนั้นสติก็ห้ามไว้มันก็ไม่ยินดียินร้ายในรสชาติของอาหารนั้นกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะทำให้จิตใจเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาสติก็ห้ามไว้ จิตก็หยุดไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามสัมผัสนั่นนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตมันก็อยู่กับที่เท่านั้ น, นีองเมื่อสติห้ามจิตได้ไม่ให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่กระทบมาทางตาเป็นต้นดังกล่าวมา นี่วิธีฝึ ก, กจิตใจที่จะให้ใจมันสงบตั้งมั่นหนักแน่นลงไปได้มันต้องเป็นอย่างนั้นอาศัยสติสมบัติสัญญะเนี่ยสำคัญมากทีเดียวอะเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็พิจารณาเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าไม่ทะลุกปลุกปง อาจเกิดความเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้นๆก็ได้ในเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นแล้วการวินิจฉัยเรื่องนั้นมันไม่ละเอียดละ อ, อพอมันก็อาจผิดพลาดไปได้นี่นอกจากว่าการควบคุมจิตแล้วมันก็ยังต้องเอาใช้ เกี่ยวข้องกับการงานภายนอกต่างๆเป็นธรรมดาเพราะว่าเรามันยังอาศัยโลกอันนี้อยู่ น, นั่นไม่ใช่ว่าเราพ้นจากโลกอันนี้ไปแล้วเมื่ออาศัยโลกอันนี้อยู่เมื่อก็ต้องเป็นผู้ฉลาดรู้แจ้งโลกอันนี้ ตามเป็นจริงให้ได้โลกทั้งภายในโลกทั้งภายนอกก็ต้องให้รู้นเี่ยรู้ว่าความจริงของสิ่งนั้ น, น, นเป็นอย่างไรอย่างนี้นะก็ต้องวินิจฉัยให้มันรู้ให้มันเข้าใจโดยท่องแท้แล้วมันก็ไม่หลงไม่หลงยึดไม่หลงถือหรือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการกับงาน มันก็ไม่ค่อยผิดพลาดถ้าได้วินิจฉัยให้ละเอียดถี่ถ้วนไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าสมาฮิโตยท่าภูตังประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้เราต้องให้ กำหนดหลักนี้ไว้ให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะถ้าไปทิ้งหลักอย่างว่านี้เสียแล้วปัญญามันก็จะไม่เกิดขึ้นได้ผู้ใดปรารถนาจะเจริญปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปได้ต้องฝึกจิตให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปอย่าง แข็งแรงเช่นนั้นมันยังค่อยเกิดปัญญาขึ้นมาได้จิตตั้งมัน่นจิตละเอียดเข้าไปเท่าไดความรู้ความฉลาดมันก็ละเอียดปัะนิดเข้าไปเท่านั้นแหละมันอาศัยสมาธิหรือยังว่าปัญญานี่นะในหลักไตรสิกขาพระศาสดาจึงทรงแสดงไว้หมวดสาม อ่หมู่นี้นะสมาธิก็อาศัยศีลถ้าไม่มีศีลแล้วต่เจริญสมาธิทำใจสงบลงไปไม่ได้เพราะบาปมันรบกวนดฉะนั้นทุกคนต้องให้มีศีลผู้อยู่ในฐานะที่ต้องรักษาศีลอะไร อย่างนี้ก็ต้องสำรวมในศีลที่ตนรักษานั้นไว้ให้มั่นคงอย่าให้มันด่างมันพร้อยอย่าให้มันขาดเช่นนี้บาปมันก็จึงไม่มีในใจถ้าหากว่าไม่สำรวมในศีลแล้วแน่นอนแล้วบาปมันก็ย่อมเกิดขึ้นในใจรบกวนจิตใจนี้ให้พุ่งซ่านเรื่อนลอยไป ไม่หยุดยังเรื่องของบาปแล้วมันเป็นเรื่องวุ่นวายไม่ใช่เป็นเรื่องสงบต้องให้รู้จักรกษณะของบาปถ้าเรื่องใดมันทำใจให้เราโรกรนกวนก歪นานน้นเนี่ยมันเรื่องของบาปมันเป็นอย่างนั้น เรื่องใดพิจารณาลงไปแล้วมันใจสงบใจเย็นสบายนั่นแหละเรื่องของบุญกุศลลักษณะของบุญกุศลเป็นอย่างนั้นเราอยากรู้จักบุญและบาปก็ต้องรู้ได้ที่กิริยาของจิตนั่นแหละแสดงออกมาเพราะว่าบุญหรือบาปมันไม่มีรูปร่างอะไรเลย มันมีแต่สัญญาอารมณ์ความคิดความนึกขึ้นมาเท่านั้นเองนะแต่แล้วมันหากมีอนุภาพไม่ใช่น้อยบะนี่ถึงไม่มีรูปร่างแต่มันก็มีอนุภาพสามารถฉุดคล้าจิตดวงนี้ไปสู่นรกอบายภูมิได้ ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พยายามละบาปนี้ออกจากกายวาจาใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปอันนี้จึงว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองจะให้ผู้อื่นพิสูจน์ให้ไม่ได้ดอกเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยบางคนก็ ใจแข็งกระด้างกระเดืองไม่กลัวบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้นะล้วจะว่าไงบนี่เราจะไม่ไม่ให้มันได้สวยทุกมันจะได้ยังไง น, นั่นนีมันก็ได้สวยทั้งสุขทั้งทุกข์คลุกเคล้าออกาันไปเป็นอย่างนั้น แต่ความประสงค์ของดวงจิตเนี่ยไม่อเป็นเช่นนั้นนะขึคือว่าความทุกข์แล้วไม่มีใครต้องการเลยไม่ต้องการมันก็ได้เมื่อตนไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ขึ้นไว้แล้วจะไม่ให้สวยทุกข์มันไม่ได้เลยเหตุอย่างไรผลมันก็ต้องอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้่ผู้มีปัญญาทั้งหลาย เมื่อท่านรู้ว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์คือเหตุที่จะนําไปสู่น ร, รกอบายนภูมิอย่างนี้ก็เว้นเลยไม่ไม่ทําเหตุอั น, นั้นให้เกิดมีขึ้นในใจไม่ยึดไม่ถือเอาเหตุเช่นนั้นไว้ในใจถ้ารู้ว่าเหตุนี้นะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อ ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ก็ต้องบำเพ็ญหรือว่าจเจริญเหตุนั้นเนืองเนืองต้องกำหนดเหตุนั้นไว้ให้มั่นในใจอย่างนี้แหละเช่นอย่างที่ว่า อา้าวการทำใจให้สงบเป็นสมาธินี่แหละเป็นบ่อกเกิดของปัญญ า, างี้นะเมื่อรู้อย่างนี้เราก็พยายามทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วก็พยายามรักษาความสงบของจิตนั้นไว้ให้ได้พยายามรักษาความสงบนี้ให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆ เช่นนั้นแหละความสงบอย่างว่าเนี่ยมันจึงหนักแน่นนะถ้าสงบประเดียวประดาวแล้วถอนไปเสียเช่นนี้นี่มันมันไม่เป็นบ่อกเกิดของปัญญาได้เลยอันปัญญามันจะเกิดขึ้นได้น่นนะมันต้องอาศัยมีสติสัมปชัญญะประคองจิตที่มันสงบมาแล้วนะให้มันสงบ สมองเสมอติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ว่าเวลานั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิก็ตามก็มีสติประคองจิตที่มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมมาแล้วนะั่นนะให้มันตั้งมั่นเรื่อยไปสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นตั้งมั่นต่ออะไรบ้านี้ ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณนั่นเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะว่าโลกอันนี้มันเป็นโลกคู่อย่างที่เคยพูดมาแล้วเมื่อบุญเกิดขึ้นที่ไหนบาปมันก็มักแทรกแซงขึ้นที่นั้นอเป็นเช่นนั้นดังนั้นเมื่อบุคคลได้มาเกลียดต่อบาปแล้วอย่างนี้ ได้ทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจแล้วก็ทำความพอใจยินดีในบุญในกุศลนั้นให้มั่นคงไปเมื่อเป็นเช่นนี้บาปมันก็แทรกแจงขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิตนั้นมันชอบบุญกุศลมากกว่าชอบบาปอันบาปนั้นไม่ชอบเสียเลยธรมรมดาผู้มีปัญญานะ ท่านจะไม่ชอบบาปนั้นเลยจะชอบแต่บุญแต่กุศลแต่ความดีเท่านั้น อ, อันนี้ได้ชื่อว่าเป็นหลักธรรมอันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึ่งกำหนดเอาไว้เป็นหลักแนวทางปฏิบัติ เราต้องทำความพอใจในบุญในคุณนี่นะให้มากมากต้องดำริตริตองอยู่ในใจเสมอเสมอไปถ้าว่าเราไม่กำหนดไม่มีโยนิโสมนสิการะหรือไม่มันตริมันตรองเช่นนี้จิตใจนี่มันก็จะไม่ดูดเดิม ในบุญในคุณอันนั้นให้มากขึ้นได้เป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆจะให้มันดูดดื่มไปเองนะไม่ได้ในเมื่อเหตุผลต่างๆไม่ปรากฏในใจเฉมแจ้งเช่นนี้นั้นมันจะไม่ดูดดื่มได้จิตดวงนี้นะต้องให้เข้าใจ เริ่มแต่การให้ทานนี่นะไปถ้าไม่พิจารณาเรื่องทานเรื่องเหตุผลของการให้การบริจาคทานนี่ให้เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาและนะ้วมันมันจะไม่ดูดื่มในทานการให้การบริจาคเลยให้ก็ให้ไปตามประเพณีไปพอวันนั้นแหละมันซึ่งแต่มันจะพยายาม ทำบุญให้ทานให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้นะเพื่อให้เป็นบุญบา ร, รมีของตนให้มากขึ้นโดยลำดับเช่นนี้มันทำไม่ได้ถ้าได้มองได้พิจารณาสอดสองเห็นเหตุผลในเรื่องการให้การบริจาคทานว่ามันมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นมันเป็น อุบายทำลายกิเลสบางสิ่งบางอย่างให้ออกไปจากกิจใจได้จริงๆอย่างนี้นะเมื่อวันเห็นอย่างนี้แลมันก็ดูดเดิมในทานการให้การบริจาคนั้นไม่มีเบื่อหน่ายเลยได้โอกาสเวลาไหนก็ทำบุญทำทานเวลานั้นเป็นอย่างนั้นนอกจากให้วัตถุสิ่งของเป็นทานแล้วก็บําเพ็ญอภัยทาน ให้เป็นไปพร้อมๆกันก็เคยพูดมาบ่อยๆละเรื่องอภัยทานนี่ก็ดี <c oughs> จำเป็นก็ต้องพูดอีกเพราะมันหลายคนฟังฟังไม่ทันกันแต่พวกที่ฟังมาแล้วยังปฏิบัติไม่ได้ก็มีมเมื่อไม่พอใจกับบุคคลผูดด้ใดแล้วก็ผูกใจเจ็บ อยู่ในบุคคลผู้นั้นยกโทษให้เพื่อนก็ไม่เป็นทำความปลองดองสามัคคีกันก็ไม่ได้เพราะมันถือมั่นในอารมณ์ที่ไม่พอใจต่อกันและกันนี่อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่มีอภัยทานเลยผู้ที่มีอภัยทานแล้วถึงแม้จะมีความคิดเห็น ไม่ตรงกันเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ต้องเอาหัวสิกรรมให้กันไปไม่ถือมั่นในความคิดความเห็นที่ล่วงแล้วม า, เ, าเช่นนี้จึงเรียกว่าอภัยทานนี่ต้องเข้าใจเมื่อมีอภัยทานอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแหละคนเรานะ่ะ ถ้าไม่มีอภัยทานนี่อยู่ในใจแล้วแน่นอนนะมันต้องเวียดเวียนซึ่งกันและกันนี <c> ่ะ <oughs> อย่างนั้นพูดถึงเรื่องทานนี่มันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนี่ถ้าพิจารณาผิวเผินคล้ายๆกันกับว่าไม่ยากลำบากอะไรการให้ทานนี่นะ แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปแล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าการให้การบริจาคทานนี่มันก็เหมือนอย่างตำรวจทหารซึ่งยกขบวนกันไปต่อสู้กับข้าศึกที่ร่วงล้ำชายแดนเข้ามา เออถ้าไปเห็นข้าศึกเข้าไปแล้วใจฟอเข้าไปเลยกลัวตายเข้าไปเลยอย่างเนี้มันก็สู้กับข้าศึ ก, กไม่ได้เลยอ่าเมื่อไปเห็นข้าศึกก็แล้วไม่กลัวใจกล้าหาันเอาตายเป็นตายหน้าที่มันมีอย่างนี้เราอะ่ะเมื่อหน้าที่มีอย่างนี้เราก็ต้องสู้จนกลัวจะได้ใช้ชนะ เมื่อไม่ได้ใช้ชนะมันตายก็แล้วไปฉันใดข้อนี้การให้การบริจาคทานถ้าบุคคลไปกลัวอดกลัวขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่อย่างนั้นล้วก็ให้ทานไม่ได้เลยถ้าคิดว่าเมื่อเราสละสิ่งนี้ให้ทานไปแล้วมัน จะอดก็อดไปที่สุดมันจะตายก็ตายลงไปสละชีวิตลงไปอย่างนั้นแล้วความโลภความตนีความห่วงเห็นอะไรมันก็ถอนออกไปจากกิจใจก็ให้ทานได้อย่างสบายใจบบบนี้แต่ในที่นี้หมายเอาว่าสิ่งที่สมควรจะให้ทานได้นะ ไม่ได้สอนให้ว่าสมบัติมีเท่าไรให้จนหมดไม่ได้หมายอย่างนั้นต้องเข้าใจให้มันถูกต้องเมื่อมีอภัยทานอย่างนั้นแล้วมันก็มีศีลได้คนเราหนะเาเพราะว่าไปเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าก็ไม่ฆ่าเพราะสงสารมันให้อภัยมันไป ไปเห็นทรัพย์สมบัติของเขาที่ควรจะด่วยเอาหยิบเอาไปก็ไม่เอาสองสารเจ้าของเขาเมื่อเราเอาของเขาไปแล้วเขาไม่มีจะใช้สอยเขาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปเห็นลูกเห็นเมียเห็นผัวของเขาสวยงามแทนที่จะ มาแสดงมายาสาไถหลอกลวงเอาเมียเขาผัวเขาไปเป็นเมียของเราเป็นผัวของเราก็ไม่เอาสงสารเขาถ้าเป็นผู้ชายก็สงสารผัวของเขาเอาเมียเขาไปถ้าเป็นผู้หญิงก็สงสารเมียของเขาถ้าเอาผัวเขาไปแล้วนี่ถ้ามันเกิดสงสารเมตตากันอย่างนี้มันก็ ให้เอาภัยไปเลยไม่ทำ อ, อย่อเนี่ยการที่จะไปตั้งเจตนากล่าวคำเท็จเพื่อหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนในทางทุจริตเมื่อคิดเห็นว่าถ้าเราไปหลอกลวงเอาของเขามาอย่างนั้นแล้วเขารู้เข้าภายหลังเขาก็เดือดร้อนใจ เขารู้ว่าเราหลอกลวงช่อกงเอาของเขาอย่างนี้นะเขาก็เสียใจมากเขาก็เป็นทุกข์นั่นแหละดังนั้นการหลอกลวงช่อกงก็ชื่อว่าจัดอยู่ในการเบียดเบีนเน้นเมื่อผู้มีอภัยทานจะจัดทารรมไม่ได้เลยจะต้องพูดตรงไปตรงมาเขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็แล้วไป เขาขายให้ก็ซื้อเอาเขาไม่ขายแล้วก็เล้วไปไม่ต้องไปอิดช้าตาร้อนเขาทีนี้เมื่อมานึกถึงตัวของตัวเองเข้าไปว่าการที่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาไม่ใช่ได้มาด้วยบาปเพราะอาวัยวะร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่มันบริบูรณ์ทุกส่วนแล้ว แสดงว่าได้มาด้วยบุญกุศลไม่ใช่ได้มาด้วยบาปมเมื่อเป็นเช่นนี้การดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนมนีพระศาสดาก็ตรัสว่ามันเป็นบาปด้วยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทด้วยอย่างนี้ก็จึงไม่ควรพอใจ ยินดีในการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนั้นเพราะว่าสงสารตัวเองเมตตาปรารถนาอยากให้ตนมีความสุขดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ร, ร้มบากเช่นนั้นมันถึงเวน้นแบบนี้นะนนนะเว้นจากของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านั้นได้ นี่ลองพิจารณาดูพุทธวั ญ, ญัติที่พระองค์เจ้า ญ, ญัติ์ทีมีเหตุผลอย่างนี้แหละพระองค์สงสารสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการอยากจะให้ใครทําความชั่วนําตัวไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นทรงพิจารณาเห็นว่าการทําอย่างนั้นเป็นบาปจริงอย่างนี้จึงได้บัญญัติถ้มไว้ แต่บัญญัติท่าไม่เฉยนะไม่มีบทลงโทษในปัจจุวัลเนี่ยถ้าไปทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนู่นแหละทางการฝ่ายปกครองเขาจึงจับกลุมไปฟ้องร้องต่อโรงต่อศาลพิให้วินิจฉัยว่าผู้นี้ได้ทำผิดกฎหมายจริงศาลก็ตัดสินลงโทษติดคุกติดตารางไปแต่ในพุทธบัญญัตินี้ ไม่ได้ลงโทษติดคุกติดตารางเหมือนอย่างกฎหมายทางโลกเอาผู้ใดไม่ทาตามไม่ปฏิบัติตามไปล่วงเกินอยู่ก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้ามันไปไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็แล้วไปมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่คนเราจะไม่ยำเกรงต่อพุทธบัญญัติเนี่ย เมื่อร่วงไปแล้วก็เห็นเฉยๆอยู่นี่ไม่เห็นมันมีผลอะไรตอบสนองในทางที่ไม่ดีในปัจจุบันเนี่ยนี่แหละคนเรามันช้าใจอย่างนี้แหละมันจะในร่วงพุทธบัญญัติ์นั่นเลยไปอย่างไม่สะทกสะทานเลยแม่บางคนที่เป็นบวชบวชเข้ามาเป็นนักบวชแล้วก็ตามนะก็ยังไม่ สะดุ้งหวากรัวต่อการล่วงพุทธบัญญัตินั้นว่ามันจะมีผลเป็นทุกข์เดดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้ไม่กลัวเลยเมื่อไม่กลัวมันก็ทําความผิดได้ไม่ทําความผิดต่อหน้าคนหมู่มากก็ทําความผิดลับหลังเช่นไปหยิบไปฉวยเอาของผู้นอเป็นของตน ในเวลาที่เจ้าของเขาไม่ได้เห็นไม่ได้อยู่รักษาอย่างนี้แหละไปหยิบไปฉวยเอาของเพื่อนมาเป็นของตนไส้สอยบอริโภคไอ้อย่างนี้ตันเรียกว่าคนไม่มีหิริโอตรประธรรมอยู่ในใจมันก็ทำบาปได้ทุกชนิดเลยทีเดียว มันเป็นอย่างั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่านาบวดไม่ว่าครื่งหัดถ้าปราศจากหิริโอตตปะธรรมสองอย่างนี้แล้วมันจะเริญรุ่งเรืองไปไม่ได้เลยชีวิตนี้มีแต่จะอับเฉาเหมือนพระจันทร์ข้างแร ม, มาก็เมื่อเมื่อไม่มีคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมึงก็ไปทำชั่วได้นะคนเราเป็นยางน้น แล้วก็ทำความดีไม่ค่อยได้ืะดังนั้นนะให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้า น, นวโมเป็นอารมณ์นึกถึงพุทธบริษัทแต่ครั้งพุทธเจ้านะที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าท่านมีทำเป็นเครื่องอยู่ในใจดังแสดงมานี่นะอ่ะ นี่เป็นคุณธรรมของพระอริยบุคคลแต่ก่อนจะเป็นพระอริยบุคคลก็ท่านก็บำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้และไปก่อนเมื่อคุณธรรมเหล่านี้มันรวมกําลังกันเข้าเข้มแข็งเต็มที่แล้วมันก่อละสังโยชน์คือกิเลสบางอย่างขาดออกจากจิตใจได้ก็ได้บรรลุถึงโลกุตรธรรม เมื่อท่านได้บรรลุโลกุตตรธรรมแล้วอย่างนี้คุณธรรมดังกล่าวมานี่ก็ไม่สูญหายจา ก, กจิตใจของท่านไปไหนท่านก็ยังบำเพ็ญไปอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นท่านบำเพ็ญไปแต่ท่านก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นท่านอุปมาไวาเหมือนอย่างใบบัวซึ่งอยู่กับน้ำ แต่น้ำไม่ซึมทราบเข้าสู่ใบบัวได้ชันใดมุนีคือผู้รู้ยิ่งทั้งหลายท่านแม่ได้เห็นหรือได้ยินหรือได้ทราบในเรื่องใดๆก็ดีเรื่องนั้นๆก็ไม่ได้ซึมทราบเข้าสู่จิตใจของท่านจนไปทำใจของท่านให้หลงยินดียินร้าย ไปตามเรื่องนั้นๆไม่มีเลยก็ฉันนั่นแหละให้พึ่งเข้าใจเราปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ขอให้มุ่งไปถึงจุดนั้นให้ได้ดังแสดงมา